ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความที่ความโชคของพวกเราโชคลาภของพวกเราที่นานๆจะได้เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเราจึงควรที่จะมีความยินดีมีฉันทะมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพีย ที่จะศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นกับว่าจะต้องศึกษาจาก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 หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นการเวียนว่ายตายเกิดของเราที่ผ่านมาในอดีตนี้มันก็มากมายก่ายกล่ยท่านให้เราประมาณได้โดยการดูน้ำตาที่เราได้หลังในแต่ละภพแต่ละชาติ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 แต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านไม่ทันพอได้รับคำเชิญนั่นนี้ใจมันไปก่อนละก่อนที่จะล่างก่อนที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านไปนี้ใจไปถึงที่ที่อยากจะไปแล้วพอใจชอบทำตามความอยากพอให้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ฝืนความอยากต่างๆ ยังรู้สึกว่าเป็นของที่ยากมากแล้วก็รู้สึกทุกข์ทรมานใจด้วยเพราะเวลาที่ต้องฝืนความอยากไม่ทําตามความอยากนี้จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจจะเกิดความหงุดหงิดเกิดความลาคาญใจเกิดความเศร้าสอยงอยเหงาว้าเหว้ขึ้นมานี่คืออํานาจของ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 เรยกว่ากามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากในกามคุณทั้งห้าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้มีแต่ความสุขความเจริญในลาบยศสัระเสริญและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคืออยากไม่ให้ความสุขความเจริญ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 เล่น ม, าม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยเยื่อในสมองศรีรษะเป็นต้นอันนี้มาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเราไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟเราเป็นตัวรู้ตัวคิดซึ่งมาอาศัยหรือว่ามาครอบครองร่างกายนี้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 มีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปเรื่อยๆ ร, รับรองได้ว่าไม่ชา้าก็เร็วก็จะได้ไปถึงพระนิพพานกันทุกคนผู้ใดที่ปฏิบัติตามที่พพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอยู่แล้วว่า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 จำเป็นจะต้องมีทั้งสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นล้พระพุทธเจ้าจะสอนสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาให้เสียเวลาไปทาไมทาไมไม่สอนวิปัสนาภาวนาอย่างเดียวทำไมสอนให้มีสมถะภาวนาด้วยว่ามันจาเป็นจะต้องมีนั่นเองถ้าไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้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 ท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตหยุดตอบคำถามต่างๆดังนั้นตอนนี้ใครอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาที่ศาลามีที่ไมโครโฟนให้ถามได้ถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้านที่ฝากคาถามมาให้พิธากรอ่านถามไปก่อน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 สมาธิคือทำอย่างไรถึงจะรู้และเข้าใจถูกต้องครับก็ไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเจะริ่สติอยู่เรื่อยๆให้เราเลือกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่ความสงบเองคำถามจากผู้ฝากถามในกรณีที่พยายามมากที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถบรรลุทำไดในชาตินี้ ตายไปได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงได้พบพระอริยะเจ้าเราสามารถปรารถนาความเพียรปฏิบัติและบรรลุธรรมได้ไหมคะโดยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้ายัางไม่หลุดพ้นก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติชาตินี้ให้มนหลุดพ้นไปเพราะถ้าไปเกิดไม่ว่าจะบุญสวรรค์ชั้นไหนเดี๋ยวบุญที่ส่งขึ้นไปนั้นหมดก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่ดี ดงนั้นควนรพยายามภาคเพียรให้มากๆอ ย, าย อ, อ, อย่าย่อท้ออย่าหยุดทําฝึกตามที่อุดสอนมันไม่ยากหรอกให้เราเลิกคําว่าพุโทโธคําเดียวมันยากตรงไหนไม่ยอมทํากันมันเลยไปไม่ถึงไหนกันเหมือนกับเวลาขับรถเขาบอกเอากุญแจไปใส่ในรูกุญแจรถแล้วมันก็จะสตาร์ทมันก็จะวิ่งไปได้ไม่ยอมใช้กุญแจกัน ไปนั่งเฉยๆรถมันก็ไม่วิ่งต้องเอากุญแจไปเสียบแล้วก็ทสตาร์ทเครื่องแล้วมันก็จะวิ่งการพาวนาของเราก็ต้องเริ่มที่สติเริ่มที่พุทโธฝึกพุทตองพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่สมาธิปัญญาหลุดพ้นต่อไปตามลำดับและความคิดข้างต้นแบบนี้ถือว่าเป็นภาวะตัณหาไหมคะ ก็ไม่รู้ละคิดยังไงก็อย่าไปคิดก็แล้วกันให้หยุดความคิดซะเอาพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวคําถามจากคุณไมตรีข้อหนึ่งถ้าเราดูสื่อลามกมันผิดศีลหรือเป็นบาปไหมครับและบาปมากไหมครับแล้วถ้าจะฝืนใจไม่ให้มันอยากดูควรจะหาอุบายทำข้อใดมากํำราบครับก็ไปดูสื่อที่ไม่ลามกเนยะไปดูสุภาษณ์แทน ข้อสองเข้าพรรษานี้ผมจะบำเพ็ญกุศลในพรรษาคิดว่าจะสถือศีลข้อวิการและโภชนาะแต่ยังไม่เข้าใจว่าต้องล่าเว้นของขบเคี้ยวตอนไหนถึงตอนไหนและช่วงที่ละเว้นเราดื่มนมหรืออะไรได้ไหมครับอันนี้ต้องไปศึกษาที่วัดที่เราไปปฏิบัติเพราะแต่ละวัดนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน แต่พูดโดยรวมก็คือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอะไรที่เป็นอาหารนี่ก็ไม่รับประทานแต่ตอนบ่ายนี่เขาก็ยังมีอนุญาตให้รับประทานของที่เรียกว่าเป็นยาได้อยู่อย่างแต่ละที่ก็อาจจะมีความการปฏิบัติไม่ไม่เหมือนกันก็ลองไปอยู่แล้วก็ไปถามไปถามเขาดูก็แล้วกันว่าเขากินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้าง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 ก็ผิดศีลอยู่แล้วไม่ควรที่จะด่าคำถามจากคุณมินนี่นะครับอุเบกขาในโพชงต่างจากอุเบกขาที่เป็นวิปัสสูกกิเลสอย่างไรคนเป็นแล้วไม่รู้ตัวจะแก้ไขอย่างไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันลองปฏิบัติ ด, ดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคำ คำถามข้อต่อไปจากคุณบักจีนะครับขออุบายในการเพิ่มความเพียรในการปฏิบัติธรรมครับก็พยายามทาอยู่เรื่อยๆคิดถึงความเพี ย, อ ย, ร, อยพททรอยู่เรื่อยๆคิดถึงพุทโธอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆความเพียรก็จะเพิ่มขึ้นมาเอง ค ำ, คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณ ว, วิจน์นะครับขอความเมตตาพระอาจารย์ถามคำถามว่าเมื่อทำทานกับรักษาศีลแล้วมาได้เวลาหนึ่งแล้ว เ, เริ่มต้นนับหนึ่งของการทำสมาธิคือนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วจับลมหายใจที่ปลายจมูกใช่ไหมครับใช่ แต่ก่อนที่จะจับปลายจมูกได้ก็ต้องมีสติก่อนเพราะว่าถ้าไม่ฝึกสติมาก่อนเวลามานั่งมันจะไม่ยอมอยู่ที่ลมมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดงั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิคนที่จะหยุดความคิดต่างๆให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนถ้าไม่ชนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันคิดพุ้งซ่ามันก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ถึงต้องฝึกสติสร้างสติขึ้นมาก่อน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 แต่อย่าปล่อยให้มันไปคิดพอไ่คิดแล้วเดียวมันก็จะไปคิดถึงเรื่องที่เคยคิดแล้วก็จะทำให้เราไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเพราะพยายามใช้สติแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ใช้ดูลมหายใจก็ได้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ขอให้มันอย่าไปคิดก็แล้วกันคำถามยังนิ่งอยู่ครับอาจารย์เหมือน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 แต่ถ้าเป็นวันธรรมดานี่ก็จะสามารถที่จะแบ่งเวลาให้กับเขาได้ก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุการณ์แต่ก็ให้หนังสือเข้าไปแล้วก็คิดว่าคงจะพอพอใช้ได้เขาบางคนเขาก็บอกเขาเข้าเปดูใน y o u t u ู e ได้ก็มีมีทางไปหลายทางก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละจะทำยังไง มีใครอยากจะถามปัญหาอะไรอีกไหมทางบ้านก็หมดแล้วใช่ไหมวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่เห็นวันนี้เข้ามาเขาเข้าออกครับอาจารย์ก็ช่วงแรกอ่าผมพลาดเสียงค่อยครับอาจารย์ก็เลยก็เลยเข้าเข้าขอครับอาตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือร้อยดิบสาร้อดสบสามแต่ไมอถามก็ไมครับอาจารย์ถามก็ถามจะคุณชัมนะครับ การที่มีภาระต้องดูแลเลี้ยงดูครอบครัวและต้องทำงานกินด้วยมีวิธีเจริญสติอย่างไรครับก็ใช้พุทโธไปนั่นแหละหรือว่าเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาต่างๆของร่างกายเจริญได้เพียงแต่ว่ามันยากเพราะว่าเวลาใช้ความคิดมันก็จะเผลอแล้วก็เผลอคิดไปเรื่อยๆเพราะเวลาทํางานทําการก็ต้องใช้ความคิดก็ทําเท่าที่ทําได้ก็แล้วกัน ถ้าอยากจะทำได้มากๆก็ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวคำถามจากคุณจันแก้วนะครับหากว่าเราเกิดทุกข์เราคิดแบบนี้ได้ไหมคือคิดว่าคิดก็ตายไม่คิดก็ตายได้ไหมครับไม่ได้เนะ่ะต้องคิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเราต้องละความอยาก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 เราก็จบ ก, ก่อนก่อนที่จะมาใส่ก็ได้เวลาเตรียมตัวก็จบไปในใจคำถามจากคุณกูลนะครับรูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณจากพิจารณาอย่างไรให้เข้าไปถึงใจคะก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นรูป ก, ก็เป็นร่างกายรูป ก, ก็มาทำมาจากดินน้ำลมไฟก็ไม่มีตัวตน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 ต้องฝึกสติไว้ก่อนพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนหรือดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายจดจอ่ออยู่กับการทํางานของเราของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นพร้อมกับการทํางานกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับงานนั้นเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มาอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ทุกขณะและเวลานั่งจะไม่ฟุ้ง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 แต่เราก็ไม่ควรประมาทเราก็ควรที่จะรู้จักหลบรู้จักหลีกไม่ควรที่จะไปอยู่ในที่ที่มันจะทําให้เกิดภัยต่างๆขึ้นมาก็ทําได้เท่านั้นแต่ก็ต้องทำใจยอมรับว่าตราให้อยู่ที่ไหนหปลอดภัยขนาดไหนถ้าถึงเวลามันจะตายมันก็ตายได้ทั้งนั้นงั้นถ้าไม่อยากจะตายก็อย่า ก, กลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องหยุดความอยากต่างๆถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องมาบวช คำถามจากคุณสุวรรณนะครับพระที่บวชอยู่ได้นานท่านอยู่ด้วยธรรมอันใดครับก็ไม่ถามท่านดูได้แต่ละคนไม่เหมือนกันก็ถามพระอาจารย์ก็ได้ครับเราอยู่พระญาติโยมน ะ, ะ <laughs> ถ้าญาติโยมไม่มาเราก็ไม่อยู่แล้ว <laughs>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 อริยเจ้านี้ท่านก็ดับพระโสดาบันท่านก็ดับทุกเกี่ยวกับความเจ็บความตายของร่างกายได้มันก็เป็นเซี่ยวหนึ่งของพระ น, นิพพานยังไม่เต็มยังไม่เต็มร้อยพอขั้นที่สองขั้นที่สามก็ได้เข้าไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วพอขั้นที่สี่ก็จะถึงค่อยเต็มร้อยดับทุกไปเรื่อยดับไปเรื่อยๆก็ถือว่ากําลังเข้าสู่ความเป็นนิพพานมากขึ้นไปเรื่อยๆพอได้ ดับทุกหมดไปจากใจแล้วก็เป็นนิพานเต็มร้อยขึ้นมาคําถามเจ้าคุณปานีนะครับทําบุญด้วยเงินามากๆจะได้ไปสวรรค์ไปนิพานคือไม่ทุกข์ได้ด้วยหรือคะ อ, อ๋อการทําบุญอย่างเดียวนี้ยังไปถึงพระ น, นิพานไม่ได้การทําบุญด้วยเงินทองนี้เราถ้าเรารักษาศีลด้วยเวลาตายไปเราก็จะไปสวรรค์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 อันนี้ก็เป็นเพราะว่าทาบุญนาเยอะแต่ไม่รักษาศีลก็เลยยังต้องไปเป็นเป็นเป็นเดรัจฉานแต่ถ้ารักษาศีลได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีส ถ, สถานภาพร่ำรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอ่าคำถามข้อต่อไปนะคะจากคุณชํานะครับ อาการที่นั่งสมาธิจะรู้ว่ารู้สึกว่าที่มือจะชาและวุบวุบๆอาการนี้เรียกว่าอะไรครับอ๋อไม่ต้องไปสนใจละมันเป็นเรื่องธรรมดาเวลานั่งบางทีมันก็เกิดอาการชาขึ้นมาไม่ต้องไปให้ความสําคัญให้สําคัญอยู่ที่สติให้อยู่กับลมหายใจและออยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปเองเอาอีกข้อสองข้อก็พอนะ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 เราหรือไม่อย่างไรครับคก็อยู่เฉยๆเดยดีที่สุดไม่ต้องไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากคุณจันเจ้านะครับบางวันใจสงบไม่คิดอะไรเลยบางวันก็ไม่สงบเกิดจากอะไรครับก็จากสติถ้ามีสติมันก็สงบไม่มีสติมันก็ไม่สงบจากคุณโทมินะครับขณะหลับจิต ก็อยู่ในสมาธิได้ใช่ไหมครับเวลาหลับนี่มันไม่มีสติมันก็อยู่ไปตามสภาพของมันมันอาจจะอยู่ในสมาธิก็ได้อาจจะฝันนู่นฝันนี่ก็ได้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามภาวะของมันหมดแล้วใช่ไหมาค <ำ S 2> าถามสุดท้ายครับอาจารย์คุณจาระนะครับการเจริญสติแบบบริกรรมพุโทโธกับแบบดูไายเคลื่อนไหวสามารถทําไปพร้อมกัน หรือต้องทำทีละขณะครับตาพร้อมกันก็ได้ดูกายด้วยแล้วก็พุทโธไปด้วยก็ได้หรือจะดูกายอย่างเดียวก็ได้หรือพุทโธอย่างเดียวก็ได้แต่เวลาพุทโธมันก็ต้องดูเวลาเรากำลังเดินเราก็ต้องดูไปด้วยไม่ใช่อยู่แต่พุทโธเราเดินไปชนต้นไม้เดินไปมันก็ต้องดูด้วยดูร่างกายด้วยแล้วก็พุทโธไปด้วยแต่ถ้าเราดูร่างกายอย่างเดียวรอาจจะไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ แต่ถ้าใช้พุโทโธนี้ต้องดูด้วยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มหมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านที่มาในวันนี้จะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ สี่สเอ็ปีแล้วนะขอให้ไปปฏิบัติได้แล้วเรียนไม่ยามจบสักทีเรียนชอบเรียนอย่างเดียวไม่ชอบปฏิบัติมันเลยไม่มีปฏิเวณสังขารไม่มีเส้นจงิีๆเหงาเลยแหลยว่าจะเป็นอะไรขึ้นน้ำอะไรไม่มีใครรู้นะ ภาวนาเยอะๆแล้วแตกไปนะครับเป็นยังไรก็ไม่เดือบบ้านอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้มีความสุขได้ภาวนาไม่ได้มันก็อยากจะไปโน่นนั่นพอไปไม่ได้ไฟมันก็เทศเบื่อเตําคาใจการภาวนานี้เป็นของดีของวิเศษแต่ไม่พวกเราไม่ชอบทำเลยเพราะเราชอบไปเที่ยวกันมากกว่าเดือนสักวันหนึ่งร่างกายมันก็ไปไม่ได้ อันนั้นจะภาวนาก็ภาวนาไม่ไหวเพราะไม่ได้ภาวนามันไม่ได้เตรียมตัวมากอ่อนก็ถึงเวลาจะทำก็ทำไม่ได้พยายามมาสร้างบ้านให้มาภาวนาแตเดือนต้นเดือนน่าจะมาขบดกันมานกันบ่อย้ การภาวนานี่เราเป็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงเยางอื่นพึ่งไม่ได้เพราะมันไม่แน่นอนมันมีเจริญมีเสื่อมนแต่การภาวนานี้มันเราภาวนาได้ตลอดเวลาทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาแล้วก็จะมีความสบายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ้นเนื้อประดาตัวร่างกายเจ็บไายได้ป่วยเป็เอาานอามตะอมตะอดยาขาดแคลน ก็ไม่เป็นรตายก็ไม่เป็นไรใจมันไม่ได้ต้องพึ่งร่างกายใจมันมีความสงบเป็นที่พึ่งแล้วมันสบายภาวนาจะ ไ, ได้ความสงบกันจะได้มีที่พึ่งจบรล้สามรอบแล้วจบสามรอบแล้วง้อกันแล้ว ก็คุยเท่ากันไม่ได้แค่นะธรรมดาคุยนี้สักธรรมดาก็ถ้าก็เหนื่อยพอกับสาวที่นี่เข้าใจก็พูดเยอะที่มันก็เหมือนคุยกันก็ไม่สาวที่นี่มันมันเหนื่อยตรงที่ว่าต้องต้องหาอะไรพูดเหนื่อยตรงที่หาไม่รู้จะหาอะไรมาพูดไม่รู้เัมนจะเริ่มพูดอะไรดีกลัวเดี๋ยวจะพูดแล้ว มันก็อาจจะซ้ำ like, ก right? e ันบ่อยๆก็ไม่ดีพยายามเปลี่ยนรสชาติกันได้ไหเปลี่ยนเมนูเหมือนภรรยาที่บ้านเนี่ยจต้องกดข้าวที่ไหนวันนี้จะทํากับข้าวอะไรแฟนกินนิเดียเดี๋ยวเขาเบื่อเขาจะเบื่อเราด้วยเบั่อาหาจะไม่พอเบื่อเราด้วยแต่ทุกงมาสิเด็ดตีไม่เห็นเมนูเมนูก็เมนูก็ไม่ซ้ําเลย ใส่พริกไทยเยอะๆกินหนูไม่ใดจ่าช่อรถเยอะๆเ็ดร้อนเด็เดปเราไม่ค่เบื่อไม่คยเื่อไม่คยเื่อมาแคไรไม่คยเื่อมนกัเรืซ้ๆอย่นแต่เรานานๆฟังทีเดือนละหน่มันก็ไม่เบื่อแต่มันไม่เหมือนกันเยอะน้อยก็ต้นพวกเรา ปฏิบัได้ร เ, <อ>เราฟังเยอะๆแต่เราไม่ได้ตามที่อาจารย์สเ น, นี่ยเพราว่าเราไม่ปฏ<ร>ไม่จริงเข้าไปในจิตนะเราไม่ฝึกสติสมาธิมันไม่เข้าตั้งจิตมีสมาธิเหมือนจะเข้าใจอันนี้จิตเราอยู่ข้างนอกจิตเราอยู่กับรูปเสียงกลิ่นมันไม่เข้าไปถึงใจมันต้องนั่งสมาธิกันเพ่อเดินใจให้เข้าข้าง ใ, ในเดินใจเข้าข้างในแล้วมันก็จะมันก็จะเอาธรรมะเข้าไปข้างในด้วย มันก็จะควบคุมใจแล้วตอนนี้ควบคุมใจไม่ได้เจออะไรปั๊บใจก็โดนกิเลสเล่นงานทุกทีโลภโกรธหลงขึ้นมาอยากได้นู่นอยากได้นเพราะว่าใจเราอยู่ข้างนอกกิเลสอยู่ข้างในเราอยุดก่เลสไม่ได้เราต้องเข้าไปข้างในมันเหมือนว่าขโมยอยู่ในบ้านแต่เราอยู่นอกบ้านเราต้องเข้าไปจากขโมยในบ้านเรา แต่มยมันหลอกให้เราไปจับข้างนอกกันจับเงาไปจับเงาไปเชื่อขโมยตลอดไปตะคุกเงาตัวม si ันอยู่ข้างในเราต้องเข้าไปข้างในมันอยากที่เหลือตัณหานี่อยู่ข้างในใจแต่มันรอให้เราออกไปข้างนอกออกไปหาสิ่งต่างๆเราเลยไม่เคยเจอตัวมัน เราต้องพระเจ้าบอกต้องกลับเข้าไปข้างในใช้พุโทโธเดินเข้าไปข้างในถอดออมาจากข้างนอกอย่าไปหาอย่าไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรอสให้เข้ามาอยู่ข้า ง, าางในพอเข้าข้างในแล้วมันก็เจอก็เจอหน้ากันเวลากโกรธก็เห็นหน้ากันชัดๆเวลาโลภไปเห็นกันชัดๆด้วยก็หยุดมันได้พอแล้วไม่อยากจะพูดอีกแล้ว